เขาทำมเทศสนาแผ่นที่72ลำดับที่17โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีสแสดงธรรมในวันที่5ตุลาคม2557มีชื่อเรื่องว่าไม่รู้จักคำว่าตายแล้วมีอะไรหลวงพ่อจะพูดอะไรให้ฟังวันนี้ อันดับแรกก็คงจะมีหลวงพอ่อจะได้กล่าวเรื่องเราวพวกเราจะได้มอบรถแอมมเรน์แอ ม, มนต์ให้โรงพยาบาลศูนย์มูนิธิรถมูลนิธิมอบให้โรงพยาบาลศูนย์อุดรแล้วก็จะมีการบวชพระประมาณทักเที่ยงพระสององค์พระสองรูป แต่จะเข้าบวชข้างในนะแล้วก็จะมีการเจริญพระพุทธมนต์ด้วยอันเนื่องมาจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าจู๋หัวของพวกเราท่านทรงประสวลอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้ทราบแล้วก็ทางหน่วยงานทุกหน่วยงานเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาก็นิมนต์ครูบาอาจารย์พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์โพสรง เพื่อถวายในหลวงให้ทรงพระเกษมสำราญหายจากโรค้าพยาธิวันนี้พวกเราพระสงฆ์จะได้เจริญพระพุทธมนตก่อนฉันอาหารพระสงฆ์ของเราในวัดของเราทั้งหมดมีอยู่38ปโรบนะเท่ากับมงคล38มเหมือนกันนะมงคล38พระสงฆ์อยู่ในพระเดี๋ยวนี้ขณะนี้มีทั้งหมด 3 8รูปแล้วก็ลุงพ่อจะได้กล่าวเรื่องราวอะไรเป็นให้คณะัทธา ญ, ญาติโยมลูกหลานได้ฟังเมื่อจบเจริญพระพุทธมนต์แล้วเพราะว่าพวกเราทั้งมาวัดทั้งทีก็ควรจะได้ยินพระสงฆ์ครูบาจารย์แสดงความคิดเห็นในวัดให้กับพวกเราได้ฟัง เพื่อเป็นแนวความคิดสำหรับพวกเราเพราะพวกเราอยู่ทางโลกก็ได้ยินจากทางโลกมากมายทางวิทัศทางวิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์อะไรมากมายแต่พระสงฆ์ที่อยู่ในป่ารงพงภัไอย่างหลวงพ่อหลวงพ่อมีความคิดเห็นอย่างไรคณะสัตยาญาณโยมทั้งหลายก็คงจากผู้ที่ใ่ในการศึกษาใ่ในการเรียนรู้ก็คงอยากจะทราบนะ ต่อเ น, นี้ไปอันดับแรกพวกเราจะเจริญพระพุทธมนต์ซะก่อนนะเพื่อเป็นสิริเพื่อเป็นมงคลตลอดถึงพี่น้องประชาชนผู้ใดเคยสวยดได้ก็เอาสวดในใจก็ได้สวดตามพระสงฆ์สวดไปก็ได้เพื่อเป็นถวายเป็นการถวายพระราชกุศลเพราะพวกเราอยู่ในพื้นแผ่นดินไทยอยู่ใต้รม่มเงา ร่มเงาพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมวงศานุวงศ์ส่วนหนึ่งคือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะคำว่าชาติก็คือชาติไทยศาสนาก็คือพระพุทธศาสนาพระมหากษัตริย์ก็คือพระเจ้าแผ่นดินเป็นเสาหลักค้าประเทศชาติเพราะฉะนั้นเมื่อเมื่อพระองค์ทรงประชวนพวกเราเป็นประสบในกรก็คงควรแสดงจึงน้ําใจ เป็นการถวายพระราชฎุกุศลโดยพร้อมเพียงกันตอนนี้ไปพระสงฆ์จะเจริญพระพุทธมนตรย่อๆซะก่อนนะจะสวดโพธทรงโฆตามแถวของพระพุทธศาสนาที่พระพุทธองค์ประมวลก็ให้พระโมคคาพระจุนทะพระเทระในครั้งพุทธกาลเจริญพระพุทธมนตรจังหวะโพธสังโฆโพธสังโฆ เพื่อเป็นการถวายฮะให้หายจากโรคคาพยาตนะินนี้ก็คือแนวทางของพระุทธศาสนาตอนนี้ไปพระสงฆ์จะพาหลวงพ่อจะพาสวดพระปริตตนะแล้วก็จะสวดโพชชงโพชทรงสามจบและก็สักกัตวาสามจบนะและจากนั้นก็จะสวดบทอื่นต่อไป ตั้งใจฟังนะคณ ะ, ะสัตยา ญ, ญาติโยมลูกหลานนะวันนี้เป็นวันที่ห้าวันที่ห้าตุลาคมพุทธศักราช2557พระองค์ทรงประชวรเมื่อวันวันที่สามนะคืนวันที่สามวันที่สี่เมื่อวานนี้ถามทางหน่วยออกข่าวมาก็ ทางหน่วยแพทย์ก็ควบคุมโรคในพระองค์อยู่แล้วนะแต่ถึงยังไงพวกเราเป็นพระสกฆ์ในกรก็ยังวิตกกังวลอยากให้พระองค์เป็นอยู่เป็นร่มโพร่มใสของพวกเรานานเท่านาน อนันไมาอย่างบุททัสสะภะคะวาโตปุ บ, บภาภะกนมมการังกะโรมะเสนาโมตัสสะภะคะวะโตอะราหะโตสัมมาสัมบุททัสสะตามบัสังขานุภาเวนะโสตถิโหตุนิรันตรัง วันนี้เป็นวันที่5ตุลาคมพุทธศักราช2557ที่พวกเราได้เจริญพระพุทธมนต์จบลงสักครูนี้เป็นการถวายพระราชกุศลในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ท่านพระองค์ท่านทรงประชวนในคืนวันที่3แต่ก็คณะแพทย์ทางศิริราชก็ได้รักถวายพระโอสถถวายยาต่อพระองค์ก็รู้สึกว่า รารณ์ใดีขึ้นสุขภาพดีขึ้นนะแต่พวกเราเป็นพระสงฆนิกรพระสงฆ์ตลอดถึงพี่น้องประชาชนก็เป็นห่วงใยถึงได้ถวายสวดพระปริตตมงคลในพระคาถาของพระพทุทธเจ้าขอให้พระองค์ทรงพรรัฒเรนหายจากโรคขาพยาติและก็วันนี้เป็นวันหนึ่งที่พวกเราได้ น, นัดหมายกันคืออันเนื่องมาจาก กรมช่างทหารอากาศผู้การผู้การบุบนสึกพลโทที่ท่านเป็นเจ้ากรมกรมการช่างทหารอากาศที่เป็นรู้จักมักคุก้นกับหลวงพ่ อ, อมาเป็นเวลานานท่านก็ไปมาหาสู่แต่ปีนี้เป็นปีกเกษียณอายุราชการของท่านท่านก็ได้ปรารถกับบริวารหมู่พกเพื่อนของท่านว่า แต่ก่อนหน้านี้ท่านก็เคยถวายเกี่ยวกับจะตก ป, ปัจจัยสมทบเครื่องมือแพทย์นะแต่คราวนี้ท่านว่าจ ะ, กะเกษียณจะถวายรถแอมเบอร์แรนส์คันหนึ่ถทกแทแต่หลวงพ่อจะเอาไปที่ไหนเพื่อให้ใช้ในโรงพยาบาลแตหลวงพ่อเออถ้าได้มาก็ดีเพราะหวงพ่อจะได้มอบให้มูลนิธิของหลวงพ่อที่หลวงพ่อตั้งขึ้นที่โรงพยาบาลศูนย์อุราน แต่ศูนย์ค้นโรงพยาบาลศรีนครินคอนแก่นอันนั้นเมื่อสมัยหลวงปู่ศรีมหาวิโรหลวงปู่ใหญ่พ่อเราจังหวัดร้อยเอ็ดท่านมาอาพาธอยู่ที่นั่นท่านก็ได้มอบรถแอมบูเรนต์ให้กับโรงพยาบาลศรีนครินไปคันหนึ่งแล้วแต่คราวนี้ก็เออดีหลวงพ่อจะได้มอบให้กับโรงพยาบาลอุดอรหลวงพ่อก็ได้รับหลวงพ่อก็ได้ไปสวดมนต์ที่กรมการช่างทหารอากาศในวันนั้น จากนั้นทางก็มีทหารเยอะในหมู่กลุ่มของท่านนะมาทุกกรมกองจากหัวเมืองต่างๆที่เป็นกรมช่างทหารอากาศที่เครื่องบินไปบินลงนนัก็ต้องมีกรมมีช่างทหารอากาศอยู่ที่นั่นอย่างอุดรพิษณุโลกภูเก็ตอย่างนี้นเรียกว่าสัตหีบโคราชท่านก็เข้าไปหลวงพ่อก็ได้ไปพบ แล้วก็ไปเจริญพระพุทธมนต์จากนั้นขนั้นก็ได้ประกาศถวาย เ, าเนี่ยเพื่อจะซื้อรถก็เป็นทีทราบกันจากนั้นหลวงพ่อก็มาแล้วก็ได้สั่งรถทางบริษัทโตโยต้าอุดรของเราพอหลวงพ่อเคยสั่งทางโตโยต้าของเราเานี่ก็ให้โรงพยาบาลนายจูงแล้วก็โรงพยาบาลาน้ําโสมในทิณนี้นะ ดูแล้วก็เป็นที่พอใจประทับใจในพี่น้องกลุ่มโตโยต้าที่มอบที่ทํารถให้หลวงพ่อแต่มาวันนี้หลวงพ่อเองก็เห็นเปิดก็ไปดูข้างในรถใหม่ของเราก็เป็นที่พอใจรู้สึกว่าแต่ขนาดหลวงพ่อไม่ใช่แพทย์ไม่ใช่หมอนะแต่เมื่อฉันจังหารเสร็จเรียบร้อยแล้วหลวงพ่อก็จะให้กลุ่มที่เป็นผู้ที่มารับ รถคันนี้เขาไปตรวจตราดูเป็นที่พอใจไหมหรือว่าสิ่งไหนที่ขัดเหลือขาดตกบกพ่องก็จะได้พูดกันแต่หลวงพ่อก็ยังไม่รับรองว่า 100% เเซนแต่หลวงพอ่อเห็นแล้วก็เออเป็นที่พอใจที่หลวงพอ่อเห็นเมื่อกี้นี้นี่แหละอันนี้ก็คือรถแอมบ์รลแอที่พวกเราจะได้มอบในวันนี้เป็นมาอย่างไรพวกคณะทาญาทายาโยมลูกหลานคงอยากจะทราบเป็นรถเจ้ากรมทหารอากาศ ท่านผู้การบุญเสบท่านเป็ น, เ ป, นเป็นประธานในการมอบจตุปัจจัยให้หลวงพ่อนะี่ยจึงมีวันนี้วันนี้หลวงพ่อพอได้รถมาหลวงพ่อก็รีบมอบทันทีถ้าเอามาจอดไว้ในวัดเดี๋ยวก็รอกกระแตนหนูอะไรมันกัดรถของหลวงพ่อนะเป็นเรื่องใหญ่ละเพราะนั้นรถมาถึงหลวงพ่อก็ได้เชิญคณะแพทย์ พยาบาลจากโรงพยาบาลศูนย์มาพร้อมหน้าตัดกันจากนั้นก็ได้บอกกล่าวพี่น้องประชาชนอย่างพวกเราท่านทั้งหลายไดมาร่วมกันในวันนี้พวกเราจะได้ร่วมมอบรถคันนี้ให้กับโรงพยาบาลให้โรงพยาบาลนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ไม่ว่าจะรับแต่พระอย่างเดียวนะรับพี่น้องประชาชนข้าราชการทุกหน่วยทุกหมู่ทุกเราถ้าว่ามีอุปสรรคอะไรจนถึงคนตายในโรงพยาบาล ไม่มีรถส่งอา้าวรถมูนิธิของหลวงพ่ออินคันนี่แหละนำส่งเลยเไม่ต้องอมีอะไรแล้วก็ให้ใช้ให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุดท า, ามันพังต่อไปภายภาคหน้าถ้าหลวงพ่อไม่ตายง่ายอาจจะมีอีกให้อีกวัน เ, เพราะนั้นให้เกิดประโยชน์แต่หลวงพ่อเขาก็ถามทางลูกหลานทางตัวโยต้าก็ถามหลวงพ่อจะเอารถาระดับไหน 2,000 หรือ 3,000 เพราะ 2,000 กํากำลังแรงก็น้อยใช่ไหม 3,000 กำลังแรงก็สูงนะหลวงพอ่อเออเอา 3,000 นะลูกหลานนะเพราะเหตุไรเพราะว่ารถ 3,000 เนี่ยเพราะจังหวัดอุดรของเราเป็นจังหวัดที่รับเสด็จบางที่ก็พระเทพเสด็จบัางาทูนกระหม่อมฟ้าหญิงเสด็จบัางพระองค์พาเสด็จบัางาบ่อยครั้งนะแต่ลดลงพยาบาลเนี่ย กำลังไม่พอต้อมเตี่ยมกระดูดูก็จะไม่เหมาะสมมั่งรถคันนี้จะเป็นรถที่ถ้าสั่งมาใหม่ก็เอาให้ส0มพันเลยก็แ ล, กแล้วกันให้กำลังวิ่งให้มีกำลังในหลวงพ่อก็ได้สั่งได้พูดอย่างนี้แหละคณะสัา ญ, ญาติโยมลูกหลานนะแต่จะว่าหลวงพออ่อเอโอ้ยเวอร์เพราะหลวงพ่อได้ยินคำนี้มาบ่อยแล้วเกินในช่วงหลางๆนะลูกหลานเนะีฟังๆเอาไว้นะ ว่าหลวงพ่ออินเนี่ยวัดรอยหลงตาบางหลวงพ่ออินเนี่ยขี้อวดบังหลวงพ่ออินเนี่ยเบ้์บางหลวงพ่อก็มีแต่ฟังฝังหลวงพ่อว่าหลวงพ่อไม่ขี้อวดนะเพราะว่ามีอะไรก็พูดตามความเป็นจริงใช่ัหยว่าวันนี้เออลูกหลานได้รถแอมบ์ลแนต์มานะหลวงพ <t ell uk> so yes. ่อจะมอบรถแอมบ์ลแนต์น่ะกรถแอมบ์ลน์ก็มาจริงๆจึงว่าหลวงพ่อขี้อวดได้ยังไงใช่ไหมพูดตามความเป็นจริง เป็นจริงยังไงหลวงพ่อก็พูดอย่างนั้นนะพูดให้ลูกใครหลานฟังแต่ถ้าหลวงพ่อไม่พูดมีอะไรก็ทําไปทําไปเพราะในส่วลูกหลานก็โอ้หลวงพ่อเอ็นมีคนถวายจิตตุปัจจัยมาขอถวายของมาไม่รู้จะใช้อะไรเก็บไว้จนท่วมหัวหรือมัง้งเขาลูกหลานก็จะว่ายอย่างนั้นอีกเพราะนั้นหลวงพ่อยังได้ประกาศประกาศเพื่อใครไม่ได้ประกาศเพื่อพ่อไม่ไม่ได้ประกาศเพื่อหลวงพ่อนะประกาศเพื่อพระพุทธศาสนา เพราะพุทธศาสนาช่วยเหลือชุมชนสังคมเนอะนี่แหละจะตุกปัจจัยที่ได้มาไม่ใช่แต่ดูแลบารุงวัดอย่างเดียวให้โรงพยาบาลให้โรงเรียนเครื่องมือแพทย์ที่หลวงพ่อไปที่ไหนก็คิดถึงส่วนรส่วนรวมส่วนกลางไว้อยู่เสมอถ้ามีอะไรเกิดขึ้นหลวงพ่อนเนี่ยมอบให้ เ, เนี่ยเมื่อวานวันก่อนก็ให้เครื่องมือแพทย์จากศรีนกคริน ล้เครื่องผ่าตัดด้วยความถีสูงรุดเครื่องผ่าตัดโอลิมปัสและก็เมื่อกีอ้หนึ่งและทางชุมแพ้ก็เข้ามาอีกอยากจะได้เครื่องมือแพทย์อีกเหมือนกันหลวงพ่อเออรับไว้พิจารณาอย่างวันนี้ก็ได้ยินทราบเขาแว่ว ว, วว่าทางโรงพยาบาลศูนย์อุดรก็ศูนย์ขอนแก่นก็เข้ามาอีกนะี่ยเมลุ่นฉันจังหันเสียเราจะพูดอะไรให้หลวงพ่อฟังอีกนะหลวงพ่อก็รับไว้ทั้งหมด พราะสิ่งเหล่านี้หลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อก็พูดไดยแล้วว่าหลวงพ่อเป็นพระสาธารณะเป็นพระของพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าไม่ได้พระไม่ใช่เป็นพระกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นพระสาธารณะช่วยเหลือชุมชนและสังคมมีอะไรเกิดขึ้นมีอะไรที่จะเกิดหลวงพ่อก็ให้อย่างโรงพยาบาลห น, นองบัวลําพูท่านก็อยากจะได้เครื่องกระตุ้นหัวใจหลวงพ่อก็เอาสั่งมา5 0า0 0 0ห้าแสนบาท จากนั้นก็น ล, งลงพยาบาล น, น้องบัวลำพูอีกตัว จ, จะได้เครื่องทำความาสะอาดเครื่องมือแพทย์เครื่องอบเครื่องมือแพทย์ราคาเท่าไรส0 0แสนกว่าบาทบ้างตัวนี้นั่นหลวงพ่อเคเอานี่แหละอันนี้ก็คือการช่วยเหลือชุมชนและสังคมของหลวงพ่อมากก็นั่นก็โรงเรียนบ้างบางเกนี่กันโรงเรียนน้ำสมหลวงพ่อก็ยังเป็นนี่อีกเขาทาอาคารขึ้นมา เพื่อให้เด็กนักเรียนได้ทานอาหารนักเพราะลงลงเลี้ยงเด็กไม่มีหลวงพอ่อขาดอยู่ประมาณส0 0 0สนขอหลวงพ่อได้ไหมเออเ้าได้เนี่หลวงพ่อก็ยังเป็นหนี้อีกส0 0 0สนเนี่ยยังไม่ได้ให้ <c oughs> วันไหนอีกสักวันหนึ่งต่อไปข้างหน้าเนี่ยหลวงพอ่อเออเอาพร้อมแล้วนั้นได้แล้วลูกหลานเขามารับได้นะเออหลวงพ่อก็ได้สั่งนี่แหละอันนี้ก็คือสาธารณประโยชน์ที่หลวงพ่อได้พูดให้ลูกหลานฟัง ให้ลูกหลานฟังถ้าหลวงพ่อไม่พูดลูกหลานก็คงไม่เข้าใจไม่รู้นะแต่คนที่ไม่พอใจเขาคนนั้นแต่ตามไม่จริงไม่พอใจก็น่ า, นาจะมาถามหลวงพ่อนะหลวงพอ่อชื่อพระอินทร์ก็จริงอยู่แต่ไม่ได้ไม่ใช่อยู่บนสวรรค์ใช่ั้ยอยู่ที่วัดป่านาคำน้อยมีอะไรก็มาเอาถามเข้ามาเลยมีหนังสือเข้ามาแล้วหลวงพ่อก็จะได้ชี้แจงให้ฟังว่ามีอะไร เพราะคนเราเนี่ยท่านอาจจะมองมุมนึงหลวงพ่ออินอาจจะมองมุมนึงแต่พวกท่านว่าทำไปแล้วจะไปพูดอะไรไม่ต้องขี้อวดเนี่ยทุกทำแล้วก็แล้วไปทำไมอวดหน้าอวดหลังเนีอยหลวงพ่ออินชอบขี้อวดขี้โออันนี้ก็ถ้ามาถามหลวงพอ่อหลวงพอ่อเออไม่ใช่ขี้อวดขี้โอ้นะพระลูกพระหลานน้องหุวงทั้งหลายนะ เ, ออเพราะมีอะไรเราก็พูดตามความเป็นจริงถ้าเราไม่พูด เดี๋ยวเขาก็จะหาว่าพระพุทธศาสนาเนี่เป็นกาฝากสังคมเออถ้าเราไม่พูดไม่กล่าวอะไรเลยให้แล้วก็แล้วไปให้แล้วก็แล้วไปเขาไม่เห็นเขาไม่รู้ว่าพระพุทธศาสนาให้อะไรทั้งที่พระพุทธศาสนาตั้งแต่ตั้งเมืองไทยมาพ่อขุนศรีอินทราธิตพ่อขุนรามกําแหงกรุงศรีอยุธยากรุงรัตนโกสินพระสงฆ์เป็นผู้ให้ธรรมะให้แนวความคิด ศีลอย่างนี้นะสมาธิอย่างนี้นะปัญญาอย่างนี้นะให้เคารพพคุณของพ่อของแม่อย่างนี้นะให้เคารพวัยวุฒิคุณวุฒิอย่างนี้นะให้มีศีลมีธรรมอย่างนี้นะพระสงค์มิตรสอนไม่ได้สอนให้เป็นนักเลงหัวไม้เลยอสอนแต่ศีลแต่ธรรมลูกหลานของเราก็เป็นผู้มีศีลมีธรรมพอเมื่อมีศีลมีธรรมแล้วจุดนั้นแหละทีนี้โลกทั้งโลกมองไม่เห็นภาลชนมองไม่เห็นคนชั่วมองไม่เห็น บอกว่าพระสงฆ์ไม่ได้ทําอะไรเป็นกาฝากสองของสังคมเกาะกินสังคมอยู่เฉยๆนะแตมไม่จริงมันไม่ใช่นะเป็นครูเป็นครูจิตวิทยาเป็นครูจิตศาสตร์สอนคนไม่ให้คนเป็นบ้านะให้รู้จักปล่อยให้รู้จักวางให้รู้จักคิดนะโลกอนนี้มันโลกอันตจังทุกขังอนัตตานะลูกหลานนะอย่างที่หลวงพ่อได้ไปเมื่อวานนะี่เขาก็ในมลไปแสดงธรรมที่วัดภัศสศรีนเะมื่อวานนะี้ลูกหลานเพราะ โยมของหลวงพอ่อที่ไปรู้จักมรคุณนะ่ยพวกเราพูดขึ้นมาคงจะรู้นะคุณหลวงตัวอ้วนใหญ่ๆนะที่เป็นลูกศิษย์หลวงตานะ่ยที่พิมพ์หนังสือมาตั้ง10กว่าเล่มสิบกว่าเล่มที่มาแจก น, ะนั่นนะ่ะท่านก็จากไปเลยละ่ะปีนี้ลูกชายของท่านจากไปอีกทีหลวงพอ่อก็เกี่ยวเนื่องกันหลวงพอ่อละลงไปเด้วยความ เ, เป็นญาติธรรมของหลวงพอ่ออย่างใกล้ชิดเนี่ยปวดง่ายๆเพราะไปลงไปที่ไรก็ไปฉันจังหันที่จิตโฆษณาปากนะี นี่แหละลุงพ่อลูกชายของท่านกระจากไปลูกชายหัวแก้วหัวแหวนอีกต่างหากลูกชายคนโตเมื่อพ่อจากไปแล้วก็ลูกชายคนโตก็จากไปอีกแบบกระทันหันแบบเชื้อโลกเข้าในกระแสะเลือดบำรุงราชอะไรพี่น้องก็เป็นหมอเอาไม่อยู่ตายอายุเพียงสี่สิต้นต้นเองนะชื่นชื่อคุณต้นอีกต่างหากนะลุงพ่อกับโอ้ไม่รู้เอาอย่างไรลุงพ่อก็เลยไปเขาก็เลยให้ลุงพ่อเป็นผู้กล่าว สังเวทในจักรฐาในงานคล้ายๆกับขึ้นไปกล่าวปารบเรื่องงานหลวงพ่อก็ได้ขึ้นไปกล่าวเมื่อวานประมาณสักยี่สินาทีมาหลวงพ่อก็พูดว่านี่นะพี่น้องลูกหลานในครั้งพระพุทธเจ้าของเราเนี่เรื่องกระทำหันหาตายกระทำหันหาตายแต่เล็กต่น้อยนะมันมีออันนี้อย่างใหญ่อยู่นะนางกีสาโคตมีลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้านะท่านเป็นคนแล้วก็แต่ ง, งานกับเศรษฐี พอแต่งานพานั้นได้ลูกคนคนคนแรกนะลูกคนแรกกําลังน่ารักนะพอได้ลูกตายเออตายด้วยประการใดก็ไม่สู้ลูกตายนายและกันางก็เห็นว่ามันไม่กระดุกกระดิกมันนิ่งนางก็ไม่รู้อันนี้คือตายนะี่คืออะไรเนะพราะทํานไม่เคยได้ศึกษาไม่เคยได้เรียนรู้เรื่องตายนะี่คืออะไรนะผมบางคนหนึ่งฉลาดทางหนึ่งแต่มันโง่าทางหนึ่งนะมันคนไม่ใช่ว่าฉลาดทุกอย่างไม่ใช่นะโลกอันนี้นะอันนี้ก็นางก็ไม่รู้ ตายคืออะไรก็ไปหาเขาเอ๊ะทำไมลูกฉันจึงไม่กระดุกกระดิกนะี่ยตะกรอร้องไห้ร้องตะกรอมีอะไรแต่ทําไมท่านเนงียบเงียบไม่มีอะไรเนี่ยเขาดูเอ๊ะมันตายแล้วนี่ก็ว่าไม่ใช่ตายตายทําไมจึงตายก็มีหูมีตามีแข้งมีขามีมือมีตีนอยู่ทําไมจึงว่าตายอะไรคือตายนางไม่รู้ทิ้งก็ไปหาคนนั้น อ, อีกเอ่าอีนี้เป็นบ้าแล้วมันคนตายแล้วไม่ําเป็นไปอุ้มไปทําไมเนี่ยนางก็พาไปเลยเพราะรักลูกใช่ไหม เออไม่ได้คิดอะไรละด้วยความรักลูกเนี่ยเออก็เลยไปหาคนต่อใครใครต่อใครอยากจะเอายาที่ยามาใส่ลูกองตัวเองเนี่ยนางคนเนี้ยห่างกีสาโคตมีเนี่ยออตอนนี้ก็เราไปเห็นทายกข า, ายกคืออุบาสกพระพุทธเจ้าท่านเป็นผู้มีปัญญาทีเนีเอออีทางนี้ออดอยในการเรียนรู้ดอยในการเข้าใจในเรื่องของของโลก เขาคงไม่รู้นอกจากพระพุทธเจ้าท่านะจะแก้ไขได้ใครคงแก้ไม่ได้หรอกคำว่าตายตายนี่คืออะไรเนี่ยเขาคงจะไม่รู้เลยทายกคนนี้ก็เลยบอกเอออินูอินางไปเมือพ่อเนีเห็นยาที่จะรักษาได้เนี่ยคือพระพุทธเจ้านะาไปหาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าคงมียาที่จะรักษาอันนี้ได้นางเนี่ก็อยากจะได้อยากจะได้ลูกหายใช่ไหมหายตายให้กระดุกรดิกเหมือนเก่าพูดได้อย่างเก่า พูดกับแม่ได้อย่างเก น, นางก็อุ้มลูกปีเข้าไปหาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกโอ้เออกีสาโคต ม, มีอันนี้เออเรามียาอยู่แต่ว่าให้เธอไปหานะให้ไปหายาไปไปหาไปถามว่าเออให้เอาเมาล็ดงา เ, าเออมล็ดผักกาดเมล็ดพันธุ์ผักกาดนะเนี่ยไปถามเขาที่ว่า ไ ด, ได้เม็ดพันธุ์ประกาศมาแล้วว่าบ้านหลังนี้มีคนตายไหมมีปู่ย่าตายายตายไหมมีลูกมีหลานตายไหมมีวงศ์สก า, านาตาที่อยู่ในบ้านหลังนี้ตายไหมถ้าว่าไม่ตายไม่มีใครตายตั้งแต่ไหนแต่ไรมาไม่มีใครตายตั้งแต่นี่แหละตั้งแต่เจ้าเกิดมาเนี่ยไม่มีใครตายเลยเนี่ยแล้วก็ให้นำเอาเมล็ดพันธุ์ประกาศมาให้เรานะ เราจะทํายาแล้วก็จะรักษาให้ลูกของเจ้าเนี่ยให้หายไปไปแต่ น, ะนางก็อุ้มลูกไอ้ที่ตายก็ปีแล้วก็ไปก็ไปขอบ้านไหนบ้านนั่นก็ว่าเพาะตายบ้านนี้ก็ว่าแม่ตายบ้างนั้นาก็ว่าลูกตายแต่และบ้านไม่มีใครไม่ไม่ตายเลยทีนี้ไปบ้านหลงนังไหนก็ตายหมดลูกของนางนก็ตัวแข็งขึ้นเรื่อยๆเลยทีนี้อา้าพอแข็งขึ้นเลยโอ้ไม่ได้เออตัวแข็งขึ้น ทุกคนตายอย่างนี้เองน้อนีได้เรียนรู้เรื่องเรื่องความตายได้เรียนรู้เรื่องความตายไม่ได้เรียกไม่ได้เลือกใครญาติโกโหติกาพวกเราที่นั่งอยู่ด้วยกันนีมีพ่อแม่ปู่ย่าตา ย, ยายตายกันทั้งนั้นไม่มีใครที่ไม่ไม่มียาตตายนางก็เลยตรงปงตกจากนั้นนางก็เลยเอาผ้าขาวห่อแล้วก็ไปโยนไปทิ้งที่ป่าช้าเพราะเมืองเมืองอินเดียเนี่ยเขาเวลาคนตายเขา เอาผ้าห่อแล้วไปโยนทิ้งเนะ่ยพรามันใจขาดเนะ่ยเขาไม่ได้ฝังไมด้เผาพรทิ้งเขาไปเป็นแบบป่าช้าผีดิบนะจากนั้นก็เป็นอาหารของหมาจอกหมาในเป็นอาหารอีแรงอีกากินซากศพอยู่ในป่าช้าผีดิบนั้นนี่แหละอันนี้ก็คือความเป็นมาในหลักของพุทธศาสนาที่หลวงพ่อไปพูดเมื่อวานนะี่จากนั้นนางก็กลับมาหาพระพุทธเจ้าไม่มีพระเจ้าข่า พันประกาศที่คนไม่ตายบ้านแต่หลังไม่ตายไม่มีประชาขา่าตายหมดทุกคนได้ฉันได้เรียนรู้เรื่องนั่นแหละเออนี่แหละโกกีสาขโคตมเออีเธอจงคนควรจะเข้าใจเกิดมาในโลกนี้ไม่มีใครที่จะหลีกลี่หนีพ้นไปได้ตายออไม่เขาก็เราไม่เราก็เขาทุกคนทุกชีวิตต้องถึงจุดจบคือความตาย พระพุทธองค์ก็ได้แสดงให้ฟังนางก็เกิดความสลดสังเวชโอ้ไม่น่าประถนาไม่น่าอยู่โลกนี่นางนางก็เลยขอบวชในพระพุทธศาสนา เ, เป็นภิกษุณีไม่นานนางก็ได้สําเร็จเป็นพระอระหันต์นี่นี่แหละคือความเป็นมาในหลักของพุทธศาสนาในหน่าคิดนะในครั้งพุทธกาลก็มีเหมือนกันนี่แหละหลวงพ่อได้พูดเมื่อวานตอนตอนบ่ายที่งานศพของคุณต้นลูกชายของคุณหลวง นี่แหละอันนี้พูดทางนี้ทางนั้นให้ฟังกับพวกเราท่านทั้งหลายจะตั้งอยู่ในความประมาทเหมือนกันให้ประกอบคุณงามความดีสึงไหนที่มันไม่ดีอย่าคิดอย่าทําอย่าพูดอย่างพวกเราท่านทั้งหลายมาร่วมกันมอบรถคันนี้แหละนี่แหละอันนี้ก็คือคิดในทางที่ดีทําทางที่ดีพูดในทางที่ดีเอารถไปใช้ก็ไปใช้ในทางที่ดีให้เกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชน ทุกหมู่ทุกเหล่าให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนสังคมบ้านประเทศชาติบ้านเมืองถ้าคิด อ, อย่างนี้ได้ทุกคนมีแต่คิดช่วยเหลือชุมชนสังคมประเทศชาติบ้านเมืองของเราก็คงจะเจริญรุ่งเรืองอมีแต่ความร่มเย็นเป็นถูกหลวงพ่อว่านะอาตอนนี้ไปพระสงฆ์จะอนุโมทนาให้พรเป็นอันดับแรกก่อนนะาจากนั้นก็เมื่ออนุโมทนาเสร็จเรียบร้อยแล้วพระสงฆ์จะเข้าไปข้างในท่เนย เข้าไปบวชพระเท่นี่เพราะว่าศาลาหลังนี้เป็นเป็นศาลาใหญ่ทำสังฆกรรมไม่ได้ศาลาหลังข้างในเป็นวิสุงคามสิมมาเป็นที่ในหลวงพระราชทานวิสุงคามสิมมาตรงนั้นทำสังฆกรรมบวชพระทำรั บ, รบกรินอะไรได้แต่ศาลาหลังนี้เป็นศาลาอเนกประสงค์ใชท้ทั่วไปธรรมดาบวชพระไม่ได้นะนศ ร, รถถทัทธาญาติโ ย, ย, ยมลูกหลานนะศาลาหลังนี้ แต่หลังนายเนี่ยบวชพระได้แทนโบสถ์ได้ทุกอย่างโบสถ์ที่เรามีอยู่ในวัดต่างๆที่หลังแหลมๆนะนั่นแหละอันสลาของเราหลังถึงจะเป็นหลังคาอย่างนั้นะแต่ก็แทนโบสถ์แบบนั้นได้พอมันมีหลักวิสูงคามทิมาอยู่ทั้ง4ีทิศนะนี่แหละเมื่อเราฉันจังหารเสร็จเรียบร้อยแล้วผู้เป็นญาติของนาคก็เข้าไปข้างในนะ่ลูกหลานนะเราจะได้บวชจะนดมนุ์พระอุปชามาจากภูก้อนมาบวช อันรับพรนะ่แต่นี่เนาะ